ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องข่มกิเลสปานิยะชาดกโดยสมณะทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่22มิถุนายน2546ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้นะบัดนี้ วันนี้มีชาดกมาให้ฟังเรื่องหนึ่งชื่อว่าปานิยะชาดกมาตั้งชื่อว่าข่มกิเลสลองฟังเนื้อหาสาระดูแล้วกันนว่าครั้งหนึ่งได้มีชาวกรุงสาวัตถีห0 0รคนซึ่งทั้งหมดเป็นสหายกันพอฟังทำเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้า องสมณะโคโดมแล้วก็เกิดจิตเลื่อมใสศรัทธาแรงกล้าจึงพากันบวชอยู่ในพระพุทธศาสนาไม่นานนักมีอยู่คืนหนึ่งภิกษุทั้งห้าร้อยรูปนั้นต่างก็บังเกิดกิเลสกามวิตกกามวิตกคืออะไรก็กามวิตกนะราคะเนี่ยเกิด ความกำหนัดเกิดความยินดีขุ้นคิดไปในเรื่องของกามเราเรียกว่ากามวิตกภิกษุทั้ง500รูปนั้นต่างก็บังเกิดกิเลสกามวิตกขึ้นมาพระอนุ์จึงให้ภิกษุทั้งทั้งหลายมาประชุมกันตามพระดํารัสของพระศาสดาแล้วพระศาสดาก็ทรงแสดงธรรมช่วยเหลือแก่ภิกษุทั้งปวงว่า ดูก่อนพิกษุทั้งหลายขึ้นชื่อว่ากิเลสถือเป็นของเล็กน้อยไม่ได้เลยภิกษุต้องข่มกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วเสียแม้บัณฑิตในการก่อนต่างก็ข่มกิเลสทั้งหลายเสียจนบรรลุปัจเจกพุทธญาณได้กิเลสเนี่ยจะใหญ่ก็ตามจะกลางก็ตามจะเล็กก็ตามเป็นไงะจะถือว่า เอ็ดดี้ตัวใหญ่นะเรากลัวไอ้ตัวกลางก็ยังน่ากลัวไอ้ตัวเล็กไม่น่ากลัวอะไรไม่ได้พระเจ้าท่านไม่ถืออย่างนั้นท่านถือว่าแม้ตัวเล็กนี่แหละใช่ไหมก็อย่าถือว่ามันเป็นตัวเล็กแล้วเราจะไม่ไม่เกรงกลัวมันปล่อยให้มันกำเริบเสบสารหรือปล่อยให้มันพัฒนาให้มันเจริญขึ้นคืออย่างเงี้ยท่านบอกว่าอย่างเนี้ยไม่ได้แม้กิเลสตัวเล็กตัวน้อยอย่าประมาทพูดง่ายๆ นะจนกระทั่งท่านบอกว่าเนี่ยข่มไปเลยจัดการไปเลยแล้วท่านก็นเลยยกตัวอย่างว่าแม้ในอดีตเนี่ยมีบัณฑิตในการก่อนนั่นก็ข่มกิเลสจนบรรลุปัจเจกพุทธญาณปัจเจกพุทธญาณก็คือญาณของพระปัจเจกพุทธเจ้าญนะาณ น, นี่ก็คืออะไรคําว่าญาณเนี่ยความอย่างรูนะ้หรือว่าความรู้เนี่ยแหละแต่ไม่ใช่เป็นความรู้แบบ เราไปเรียนหนังสือเราไปอ่านหนังสือมาเราไปจํามาได้แล้วเป็นความรู้ที่จําได้อันนี้ยังไม่เรียกว่าญาณวญาณที่แท้แล้วเนี่ยต้องหมายถึงความรู้ที่เกิดจากสภาวะเราแล้วเกิดจากการประพฤติเกิดจาการร ก, จาการปฏิบัติเกิดจากการที่เราทําได้มาแล้วนะเป็นความรู้ที่ที่เรารู้ด้วยด้วยการประพฤติปฏิบัติมาได้แล้วก็เข้าใจด้วย เพราะว่าฝึกฝนมาแล้วผ่านมาแล้วนั่นก็เลยเรียนรู้มาเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นยานที่รู้ได้ด้วยการฝึกฝนมาแต่นี้โดยพระประเจกกับพระพุทธเจ้าเนี่ยทั่วๆไปถือว่าเป็นพระพุทธเจ้านะเพียงแต่เรียกว่าเป็นปัเจกอย่างเงี้ยปเจกหมายความว่ า, ารู้ได้โดยตัวเองนะรู้ได้โดยตัวเองรู้เฉพาะตัวเนี่ยแหละ เขาชอบแปลโดยทั่วไปว่าพระประเจกับพุทธเจ้าเนี่ยก็คือพระพุทธเจ้าที่ไม่ได้สอนใครไม่สอนใครหรือบางทีก็ใช้สมนวนว่ า, อ, าอะไรอ่ะเขาใช้อย่างเงี้ยรู้ได้ด้วยด้วยตัวเองรู้ได้เฉพาะตนแล้วก็ไม่ได้สอนใครสำนวนเขามากักจะใช่อย่างนี้ถ้าเปิดพระจันทนุกลมหรือเปิดอะไรก็จะเป็นสำนวนทำนองนี้ แต่ตามาเคยบอกไปหลายทีแล้วบอกว่าโธเอย้ยอย่าว่าแต่ระดับพระพุทธเจ้าเลยระดับกจอกจอกอย่างเราเนี่ยไม่ต้องถึงพระพุทธเจ้าหรอกแค่บางทีเราปฏิบัติอะไรพอได้เนี่ยคุณว่าสอนคนได้ไหม <c oughs> <c oughs> นะเรายังพอสอนได้เลยใช่ไหมก็สอนตามความรู้ที่เรามีอ่ะทําไมเราจะสอนไม่ได้อะ่ะไม่ไม่ไม่ได้หมายความว่าต้องสอนให้สูงกว่าที่เรามีนะ อ้าวสมมุติว่าลูกกไก่ขอไข่สองตัวเงี้ยแล้วสอนคนไม่ได้เหรอก็สอนแค่กอไก่กับขอไข่สองตัวก็พอถ้าไม่จะสอนไม่ได้มั น, นสอนได้แล้วนี่ยิ่งระดับพระพุทธเจ้ามีหรือจะสอนไม่ได้นอะมันสอนได้แต่บางทีเนี่ยไม่ได้สอนต่างหากล่ะที่ไม่ใยสอนอ่าอาจจะต้องมีสาเหตุแหละที่ไม่ได้สอนอาจจะยุคนั้นการะนั้นคนไม่พร้อมที่จะ ให้อบรมให้สั่งสอนท่านก็ไม่ได้สอนนะหรือสถานการณ์เหตุการณ์ที่ไม่ทําให้สามารถที่จะสอนได้ท่านก็เลยไม่ได้สอนแต่ถ้าโดยทั่วไปแล้วไม่มีทางอะระดับพระพุทธเจ้าแล้วจะสอนใครไม่ได้สอนได้แน่นอนแล้วก็เลยบอกว่านในอดีตที่มาก็มีบัณฑิตที่เห็นกิเลสพูดง่ายว่าแม่เล็กแม่น้อยเนี่แหละเห็นเสร็จแล้วก็จัดการเลย จัดการแล้วก็เนี่ยบรรลุปัจเจกับพุทธเจ้าได้เป็นพระปัจเจกับพุทธเจ้านะได้ยานได้ยานแบบของพระปัจเจกับพุทธเจ้าก็ここหมายถึงว่าเป็นพระพุทธเจ้านั่นเองแต่เป็นแบบปัจเจกับพุทธเจ้าหมายความว่าเป็นพระพุทธเจ้าที่ไม่ได้สร้างกลุ่มคนไม่ได้สร้างาศาสนาขึ้นมา <S <S <S <S เป็นพระพุทธเจ้าแบบนั้น แต่ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าที่ที่เราเรียกพระสมณะโคดมพระวิปสัสสีอะไรต่างๆนี่นะพระเวสสพูพระโกนาคมานณะอะไรอย่างเงี้ยคือคือชื่อพระพุทธเจ้าต่างๆจะเห็นได้เลยว่าพระพุทธเจ้าต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาสร้างศาสนาน้ามีอะไรอะ่ะมีลูกศิษย์ลูกหามีบริวารมีสาวกน้าจำนวนเท่าไหร่ก็แล้วแต่ซึ่งไม่เท่ากันแล้วแต่ว่า พระุเจ้าองค์ไหนมีความสามารถมากก็มีบริวารมากมีสาวกมากแต่จะมีเป็นหมู่คนนะเป็นกลุ่มคนเนี่ยขึ้นมาสมมุติว่าอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านกำหนดไว้เลยใช่ไหมว่าท่านจะพูดง่ายไม่ยอมปรินิพพานจนกว่าอะไรภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกา จะมีครบพร้อมแล้วก็จะแก้วกล้าอาถานรพ์สามารถปรับประวาติกรรใครก็ได้เนี่ย ถ, ถ้ า, ถาทั้ง4ีหน่วยเนี่ยเกิดขึ้นมาครบพร้อมแล้วบริบูรณ์ได้แล้วท่านก็จะบริญิพานพราะนั้นให้เห็นเลยว่าถ้าเป็นพระพุทธเจ้าแบบเนี้ยซึ่งเราจะเรียกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยผู้เจ้าท่านจะสร้างศาสนาขึ้นมา คือจะอบรมสั่งสอนผู้คนจํานวนมากแล้วก็ให้คนต่างๆเหล่านี้ก็สืบทอดศาสนาเนี่ยต่อๆต่อๆไปอีกแต่พระปัเจกับพระเจ้านี่ไม่ไม่ได้สร้งสางศาสนาขึ้นมาเพราะว่าก็ไม่ได้ไปสอนใครขึ้นมาเป็นกลุ่มเป็นมวลเป็นเป็นมหาชนอะไรขึ้นมานี่เพราะอย่างงี้ก็เลยเรียกว่าพระปัจเจกับพระเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าแบบนี้ มีซ้อนได้หลายพระองค์แต่พร ะ, พระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้ากับกับหนึ่งเนี่ยกับหนึ่งที่ในช่วงของศาสนาหนึ่งที่พระเจ้าองค์ น, น, นั้นสร้างขึ้นมานมีได้พระองค์เดียวยอนตนนี้พอพระเจ้าท่านตรัสอย่างนี้กับภิกษุทั้งห้0ร้อยรูปแล้วทรงนาอดีตชาดกนั้นมาตรัสเล่าในอดีตการ ปรากฏพระปเจกับพุทธเจ้าห้าพระองค์มาจากเงื้อมเขานันทมูลก ะ, สะเสด็จวินธบาตเข้าไปในกรุงพาราณสีเทียบโปรดสัตว์ด้วยอิริยาบถอันน่าเรื่อมใสงดงามยิ่งกระทั่งมาถึงประตูพระราชวังของพระเจ้ากรุงพาราณสีพอดีกับพระราชาทรงทอดพระเนตรเห็นแล้วทรงบังเกิดจิตศรัทธายิ่งนักจึงได้นิบบพระปเจกับพุทธเจ้าทั้งหลาย ให้เข้าสู่พระราชนิเวศส่งรางเท้าให้แล้วทานน้มันหอมด้วยพระองค์เองคือยังไม่รู้นะว่าเป็นพระปจเจกับพระเจ้าแต่เห็นอิรยาบทเห็นอาการสงบสำรวมอะไรต่างๆแล้วโอ้เรื่มสายศรัทธาเพราะพระราชานี่รางเท้าให้เองเลยจากนั้นทรงอันคาดด้วยอาหารอันประนีต อังคาดก็คือนี่แหละสมมติว่าเอาอาหารเนี่ยถวายพระเนี่ยนะประเคนเนี่ยแบบที่เราประเคนเนี่ยแล้วประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วตรัสถามพระประเจกับพุทธเจ้าทั้งหมดว่าพระกุณเจ้าผู้เจริญทั้งหลายพวกท่านบวชได้แม้ในวัยหนุ่มเยี่ยงนี้ดูช่างงดงามจริงก็แล้วด้วยสาเหตุใดหรือเห็นโทษภัยอันใดกันเล่าจึงออกบวชในวัยนี้ได้ แสดงว่าพระปจเจกับพระเจ้าทั้งห้าพระองค์นี่ยังหนุ่มอยู่เลยนะยังไม่แก่เลยพระปัจเจกับพระเจ้าองค์แรกจึงได้เปิดเผยเรื่องราวว่าขอถวายพระพรมหาบพิษอาตมาภาพเคยเป็นผู้ปกครองหมู่บ้านแห่งหนึ่งในแคว้นกาศีนี่เองคือคือกรุงพรานาสีเนี่ยอยู่ในแคว้นกาสี น, เสเ น, น, นสนะเพราะนั้นนี่ พระประเจกับผู้เจ้าองค์แรกเนี่ยท่านก็บอกว่าเนี่ยแต่เดิมเนี่ยพูดง่ายท่านเป็นชาวบ้านนั่นเองอยู่เป็นผู้ปกครองหมู่บ้านแห่งหนึ่งคราวนั้นชาวบ้านมักมีปรีกรรมชื่อว่าโสมยาคะโสมยาคานี่เป็นชื่อยันยพิธีอย่างหนึ่งนะคือการบูชายันชนิดหนึ่งเขาเรียกชื่อว่าโสมยาคะ นะ้าพวกชาวบ้านจึงได้มาขออนุญาตว่าข้าแต่เจ้านายพวกเราต้องการฆ่าเนื้อและสุกรก็ทำบูชายันแก่หมูยักษ์ในเวลานี้ก็ถึงเทศกาลแห่งการพีกรรแล้วคือปรากฏว่าพวกลูกบ้านก็มาขอเหมือนผู้ใหญ่บ้านเนี่ยแหละก็มาขออนุญาตนว่าเนี่ ย, ยถึงหน้าเทศกาลแล้วจะขอเนี่ยฆ่าสัต นะค่าู้ง่ายค่าหมูค่าเป็ดค่าไก่อะไรพวกนี้จะเส้นบวงสวงจะบูชายันก็มาขอกับผู้ใหญ่บ้านเราได้บอกอนุญาตไปว่าพวกท่านจงกระทาเถิดจงทำไปอย่างที่เคยกระทามาแล้วในครั้งก่อนๆชาวบ้านทั้งหลายจึงพากันกระทาปานาติบาตมากมายแต่เมื่ออาตมาภาพได้เห็นการถูกฆ่า เห็นซากศพของปลาและเนื้อจํานวนมากที่ตายไปทำให้บังเกิดความสลดแสนเศร้าใจว่าอาตมาภาพได้ยอมอนุญาตให้แก่พวกเขาชีวิตสัตว์มากมายต้องถูกฆ่าตายตามคำอนุญาตของเราผู้เดียวเท่านั้นจึงได้รังเกียจว่าเราได้กระทำบาปกรรมเอาไว้แล้วฉะนั้นอย่าได้กระทำบาปกรรมต่อไปอีกเลยคือพูดง่ายว่า อนุญาตไปตอนแรกไม่ได้คิดอะไรมากก็คิดว่าเขาทำทำกันมาใช่ไหมเพราะ็เลยอนุญาตอ้าวจะฆ่าสาธิตชีวิตะอะไรก็ทําไปสิแต่พอถึงเวลาที่เขาฆ่าจริงๆริโอ้โหนะเห็นเลือดเห็น เ, เสียงหอยหวนได้ยินเสียงหอยหวนนะเห็นอะไรอะ่ะเขาผ่าเขาตัดเขาเชือดอย่างเงี้ยแล้วก็ศพก็โหูกองใครเคยเห็นไหมที่เวลาใกล้จะตุนจีนแล้ว ใครไปเดินย่านที่เขาเขารับรับจ้างฆ่าโอ้โหถ้าคุณไปเห็นแล้วคุณจะพูดง่ายๆว่าวทั้งกลิ่นข่าวทั้งโอ้โหเลือดนี่มันแดงมาเลยนะที่พื้นเนี่ยแล้วก็เสียงทั้งไก่ทั้งเป็ดทั้งอะไรมันก็ก็ก็มันมันร้องไม่ออกนะเพราะเขาเขาเอาเอา น, นั่นนะ่ยเอามีดมาปาดที่คอโอ้ยเดินผ่านแล้วมันมันสังเวชจริงๆนะ ต่อให้ใครเนี่ยจะกินเนื้อสัตว์มายังไงก็ตามถ้าถ้าไม่ใช่คนไร้ความรู้สึกนะไร้ความปาณีถ้ายังมีความเมตตาปาณีอยู่บ้างเนี่ยโอ้โหไปเดินผ่านแล้วเห็นเนี่ยโดยเฉพาะเห็นตอนที่เขาฆ่าเนี่ยอืยังไงอาตมาว่าจิตมันคงจะสะดุ้งสะเทือนมังน่ะโอ้ถึงบอกไปเห็นตอนนั้นน่ะเราถึงจะอืแหมใครยังกินลงอีกก็ก็เหลือเชื่อและ้ะถ้าใครยังกินลง นะอันนี้ก็ปรากฏว่าเนี่ยพ อ, อพระประเจกับพระเจ้าองค์แรกนี่นะท่านก็พูดให้ฟังว่าเนี่ยไอตอนอนุญาตไปไม่ได้คิดอะไรมากโอ้โหพอไปเห็นซากศพไปเห็นอะไรต่างๆพวกนี้แล้วสลดใจเลยวันนี้เนี่ยสัตว์ตายเป็นจริงๆเนี่ยไม่ต้องเป็นช่วงเทศกาลเลยนะทุกๆวันเนี่ยวันธรรมดานี่แหละคนกินเนื้อสัตว์กันจํานวนเท่าไหร่ วันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยตายนีย่โอ้โหอาต่อมาเคยลองแบบคนนํานวณคร่าวๆง่ายๆนะคำนวณคนนะคนตายยังไม่ได้ไปคํานวณสัตว์ตายว่าเอาในเมืองไทยนี่มีสักกี่โรงพยาบาโลโรงพยาบาลหนึ่งตายสักกี่คนอาแล้วที่บ้านอีกสักประมาณสักกี่คนเอาพอประมาณประมาณแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยแค่บางทีไม่ต้องไปที่ไหนไกลเลยแค่สักจังหวัดหนึ่ง สมมติอย่างกรุงเทพอย่างเงี้ยสักจังหวัดหนึ่งเนี่ยคนจะตายสักกี่พันหรือกี่หมื่นคนในวันหนึ่งวันหนึ่งวันเดียววันเดียวโอ้แล้วถ้าในเมืองไทยโอ้โหวันหนึ่งจะกี่หมื่นกี่แสนคนอะไรเงี้ยนะสมสมุติสมมุติแต่ลองยกตัวอย่างขึ้นมาแล้วยังน่าตกใจเลยว่าโอ้โหเหลยวันหนึ่งนี่คนจะตายถึงขนาดนี้ชเลยแล้วตอนนี้พอพูดถึงสัตว์ ที่ต้องตายที่โดนฆ่ามาให้คนกินมากกว่านั้นอีกกี่เท่าเพราะคนหนึ่งเนี่ยเนี่ยมีชีวิตมีชีวิตอยู่วันหนึ่งไงวันหนึ่งเนี่ยกินชีวิตอื่นอีกกี่ชีวิตสมมติว่าคนกินสักสามมือเคยเคยทดสอบให้ฟังวันหนึ่งเนี่ยคนกินสามมือเอามือนี่กินอะไรบ้างละ่ะเอาลองสํารวจมาสิวันนี้ก็ไปตลาดใช่ไหมไปตลาดเสร็จเอากินอะไรเอาสั่งข้าวหมูแดงมากินสักจานอ่า อะไร อ, อ, <c ười> อ่ะหอยนางลมสั่งมาอ่ากินแค่นี้คุณดูสิกี่ชีวิตก็ไปแล้วใช่ไหมมือหนึ่งเนี่ยอาตมายังเคยบอกเอาว้นะคิดให้น้อยที่สุดเลยนะว่ามือนึงแค่ชีวิตเดียวยังเคยแบบคิดให้น้อยที่สุดเลยว่ามือหนึ่งเนี่ยชีวิตเดียวแต่ความจริงมันไม่ชีวิตเดียวไงใช่ไหมกินปลานิดนึงกินกุ้งหน่อยหนึ่งกินหมูหน่อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย หมูไม่กี่ชิ้นเข้าวหมูแดงเนี่ยไม่กี่ชิ้นแต่เป็นไงหมูหนึ่งตัวหมูหนึ่งตัวต้องตายต้องหนึ่งชีวิตเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าโอ้โหวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยสัตว์ตายนี่จำนวนมหาศาลแค่วันเดียวของธรรมดานะที่ไม่ใช่เทศกาลราะ ว, วันเดียวเนี่ยยิ่งถ้าเราคิดแบบว่าทั้งโลกเนี่ยใช่ไหมคิดทั้งโลกเนี่ยโอ้โหเป็นอาตมาว่า เป็นหมื่นหมืแสนแชีวิตวันหนึ่งวันเดียวแล้วคิดดูสิว่าวันหนึ่งวันหนึ่งคนตายขนาดนั้นนะแล้วใครเคยคิดถึงถึงเกิดมาบ้างแหละใช่ไหมวันหนึ่งเนี่ยตายกับเกิดคุณว่าอย่างไงมากกว่ากันนะคือตายกับเกิดเนี่ยคุณว่าอย่างไงเร็วกว่ากันนะตายมันเร็วกว่าใช่ไหมคุณอายุเท่าไหร่ก็ตายได้ แต่เกิดนี่ต้องใช้เวลาถูกไหมต้องใช้เวลานะกว่าจะเกิดมาเพราะนั้นคุณ อ, อย่าไปแปลกใจนะว่าบางทีขนาดเขาบอกว่าคนเนี่ยเกิดมาแล้วจะล้นโลกถูกไหมไอ้ที่จะล้โนโลกเนี่ยนะสัตว์มันตายจานวนมากเลยนะถูกหรอือเปล่าสัตว์มันตายมากกว่าคนนะเพะ้คนที่เพิ่มเพิ่เพิ่มเิมเพิ่<ก>มาเนี่ยที่มันเพิ่มเพิเพิ่มิเมเมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอะไรมาอะไรมา เอี S 1> <S 1> <S คุณว่าอะไรมาเป็นคนเนี่อสัตว์นั่นแหละมันมาเป็นคนพ่อท่านถึงเคยใช้ว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้อะไรมาเกิดเอสำดวนก็ใช้เขาว่าพวกสัตว์นรกมาเกิดแต่จริงๆก็คือนั่นแหละบางทีก็สัตว์ชนิดอื่นๆสัตว์ต่างๆมันก็มาเกิดสิเพราะว่ามันมีบุญคุณกับคนคน่ะคนไปกินมันน่ะ โอ้มันต้องเสียทั้งชีวิตทั้งเลือดเนื้อให้คนกินคุณว่ามันไม่ได้บุญเหรออา้าวมันก็ได้บุญนะคนกินก็ได้บาปไปถูกไหมเพราะฉะนั้นบางทีก็ผัดกันบ้างสินะคนก็ไปเกิดเป็นรร ส, สัตว์ซะสิเพราะว่าคนที่เนี่ยบาณาติบาตหรือว่าเบียดเบียนทำร้ายใครต่อใครเขาสภาพวิญญาณก็ต่ําลงอา้าวในที่สุดคุณภาพไม่ถึงก็ไปเป็นรรสัตว์ซะบ้าง ไปโดนฆ่าไปโดนกินซะบ้างเค้านี้อ่าป่ว น, วนส่วนพวกสัตว์ต่างเนี่ยที่บางทีโอ้โหใช้นี่เวีนีน่กรรมมันต้องเยอะแล้วใช่ไหมอ่าพอใช้นี่เวีย น, นี่กรรมมันต้องเยอะแล้วอ้าวบางทีก็ได้มีโอกาสบ้างอ่ได้มาเป็นคนซะบ้างอย่างเงี้ยมันก็หมุนเวียนกันอยู่อย่างเงี้ยเขาถึงใช้คําว่าวัตตสงสารก็หมุนวนหมุนวนแต่โอกาสเป็นคนเนี่ยน้อยไงมันจะต้องสร้างคุณภาพ ของจิตวิ ญ, ญญาณขึ้นมาขนาดหนึ่งในการเสียสละในการอะไรต่างๆจนกระทั่งคุณภาพเนี่ยพอที่จะเกิดเป็นคนได้แต่บางคนเนี่ยได้แต่ร่างเป็นคนแต่วิญญาณยังไม่ใช่คนใช่ะนะ่วิญญาณยั ง, ย, ง, ย, งยังของเก่ายังอยู่เลยนะยังเป็นสัตว์นรกอะไรต่างๆยังอยู่เลยเพราะนั้นอันนี้เนี่ยก็กมไคกำมันแต่ถ้าเราเข้าใจได้เราจะรู้เลย วันคราวนี้พระปเจกับพระุทธเจ้าเนี่ยโอ้โหพอเห็นอย่างนี้ก็สลดสังเบกใจอันนี้คือสภาวะของจิตใจของคนที่เนี่ยมีเมตตามีความการุณาอะไรพวกนี้อยู่นาจนกระทั่งบอกว่าเนี่ยเราได้กระทำบาปกรรมเอาไว้แล้วฉะนั้นอย่าได้กระทำบาปกรรมต่อไปอีกเลยคือพูดง่ายๆว่าพอเห็นปั๊บทันทีเลยครั้งเดียวก็เกินพอแล้วเพราะ น, น, นี่นี่คือระดับ ที่จะมีภูมิที่จะเป็นพระปัจเจกับพุทธเจ้าคือแค่เห็นแค่นี้แค่สัมผัสแค่นี้แค่รู้แค่นี้โอ้โหนี่เราพลาดไปแล้วนี่เราไปแค่ไปอนุญาตเ้าแค่นี้เองทําให้ชีวิตสัตว์อื่นๆต้องตายมากมายถึงขนาดนี้หรือนะเขาต้องเจ็บป่วยเขาต้องทรมานใช่ไหมบอกอย่างเงี้ยจะไม่ทําบาปกรรมอีกต่อไปเลยจึงพิจารณาไปในธรรม จะิญวิปัสสนาจะเดิญวิปัสสนาก็คือคือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วแหละก็เอาเหตุการณ์นั้นนั่นแหละนะเอามาวิเคราะห์วิจัยเอามาวิตกวิจารณ์เอามาพิจารณาแยกแยะต่างๆจนกระทั่งเนี่ยเข้าใจเกิดปัญญาขึ้นมาเกิดปัญญาในธรรมะนะเกิดปัญญาขึ้นมาเห็นกิเลส ต, ตัวเองเลยโอ้โหเราพลาดพังยังไงเพราะเราจะไม่ให้เกิดกิเลสอย่างนี้ขึ้นมาอีก นะจเจเจิริญวิปัสสนาได้ทมปัจเจกพุทธญาณแล้วจึงออกบวชไปพำนักอยู่ณนะเงื้อมเขานันทามูรกะคือปรากฏว่าแค่เรื่องนี้เกิดขึ้นเท่านั้นเองท่านสามารถเอาเรื่องนี้มาพิจารณาจนบรรลุธรรมได้แล้วก็ได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าอันนี้ต้องมีวาสนาบา ร, รมีนะต้องสะสมมาแล้วนะ ถึงเพียงแค่เจอแค่นี้ก็พิจารณาแล้วก็เข้าใจเลยแล้วก็โอ้โหกิเลสหลุดไปได้พวกเราเนี่ยฟังทำมาเยอะแล้วเรื่องนั้นเรื่องนี้โอ้โหบางทีพ่อท่านแจกแจงมาละเอียดละอเยอะแยะแต่ไอเรื่องนั้นแหละบางทียังไม่รอดสักทีเลยนะยังไม่เคยพอนะยังบางทียังจะทําอีกนะเพราะอย่างนี้นนบา ร, รมีต่างกันมาก อาตานีพอพระปเจกับพุทธเจ้าพระองค์นี้นะท่านตัดอย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมสิ้นสุดคำกล่าวนั้นพระปเจกับพุทธเจ้าองค์ที่สองก็เอ่ยขึ้นบ้างว่ามหาบาพิษสำหรับอาตมาภาพนั้นเคยอยู่ที่บ้านน้อยตำบลหนึ่งในแคว้นกาสีนี้เช่นกันมีอยู่วันหนึ่งได้สะพายกระบอกน้ำดื่มไปทำไร่ในป่ากับสหายคนหนึ่ง พอเวลาที่เหนื่อยกะหายน้ำก็มาแอบดื่มน้ำจากกระบอกของเพื่อนส่วนน้ำในกระบอกของตนก็เก็บไว้จนกระทั่งตอนเย็นเลิกงานอาบน้ำชำระร่างกายจากความสกปรกได้เกิดความสลดใจคิดขึ้นมาว่าอาบน้ำไม่อาจชำระบาปจากการที่เราขโมยน้ำของเพื่อนมาดื่มรู้เลยเนี่ยอาบน้ำเสร็จ อาบเพื่อต้องการให้ร่างกายสะอาดใช่ไหมความสกรปรกออกไปนะชำระร่างกายได้แต่ชําระจิตวิญญาณไม่ได้นะ้ําไม่สามารถชําระจิตวิญญาณนะ ก, ก็คิดขึ้นมานะบิดกวิจารขึ้นมาบาปนี้คงจะนําเราเข้าสู่อบายทั้งหลายเป็นแน่แท้คําว่าอบายเนี่ยแปลว่าถ้าแปลเจ๋งๆนี่แปลว่าความชิบหาย อบายเนี่ยแปลว่าความจิบผายหรือถ้าถ้าเขาใช้คาว่าอบายมุกเนี่ยก็คือปากทางแห่งความจิบผายนะเพราะฉะนั้นอันนี้พระปะพร ะ, ปะเจกับเพื่อเจ้าองค์ที่สองเนี่ยนะขโมยน้ำของเพื่อนดื่มพอมาตอนอาบน้ำนี่มาได้สติไงมาได้คิดขึ้นมาแล้วบอกโอ้โหอย่างนี้เราขโมยน้ำของเพื่อนนี่เราจะต้องพบความจิตหายแน่เลย ฉะนั้นเราควรข่มกิเลสนี้เสียให้ได้เรารังเกียจบาปที่กระทำไว้แล้วเราจะไม่กระทำบาปอีกต่อไปจึงจเจริญวิปัสสนาณที่นั้นจนได้กระทำปัจเจกับพุทธญาณให้บังเกิดขึ้นแล้วก็ปรากฏว่าดูนะระดับบรารมีที่มากๆเนี่ยล็กี้นี้ก็เหมือนกันกบสีนกอีหนึ่งอ่ะถูกฆ่าสัตว์ตัดชีวิต แค่พิจารณาแค่นั้นเองแล้วไม่ได้ลงมือฆ่าเองด้วยนะแค่พิจารณาแค่นะั้นบรรลุธรรมได้เป็นพระพุทธเจ้าได้องที่สองอันนี้ปรากฏว่าแค่ขโมยน้ำคนนี้นี่สิลข้อที่สองถูกไมแล้วไม่ต้องไปพิจารณาหาข้อเลยนะนี่แค่ข้อเดียวเท่านั้นเองแค่พิจารณาเรื่องขโมยเท่านั้นเองโอ้โหจะให้เห็นจิตของผู้ที่มีบา ร, รมีสูงสูงเนี่ยจิตจะ ทำผิดอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็รู้เลยแล้วก็เข้าใจเลยแล้วก็จะเห็นว่าไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเราหยาบเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเรื่องน้าเล็กน้อยแต่สำหรับผู้ที่ละเอียดแล้วน่ยมันไม่เล็กนะนั่นมันเรื่องใหญ่นะคือคื อ, คอท่านจะเข้าใจเรื่องวิบากกรรมต่างๆอย่างเช่นบอกแล้วที่พระเจ้าท่านท่านรู้ว่า เพียงแค่คิดเนี่ยใช่คิดไม่ดีกับใครเนี่ยโอ้โหบิบากรรมยังมาทำให้ปวดหัวได้เลยคือพอท่านรู้แล้วเขาเนี้ยเรื่องอะไรจะคิดไม่ดีกับใครแต่ถ้าเป็นเราใช่ถ้าเราหยาบเนี่ยแล้วเราไม่บำเพ็ญไม่ได้เข้าใจศึกษาเรื่องของธรรมะให้ดีพอเราก็เห็นออไอเรื่องแบบโทแค่คิดเท่านั้นเอง ก็ยังอยู่ในหัวสมองเราเลยยังไม่ได้ด่าวไปเลย <c oughs> นะยังไม่ได้ไปลงไม้ลงมือเขาเลยแค่คิดแค่นี้จะเป็นอะไรไปใช่ไ้ยนี่แหละคือความหยาบของจิตเราที่ถ้าบารมีเราเนี่ยปฏิบัติไม่มากพอเราจะรู้สึกว่านั่นเล็กน้อย <c oughs> จิบจอยแค่นี้จิบจอยเพราวไปดูนะยิ่งคนหยาบมากๆเนี่ยยังถอยไปเรื่องศีลข้อที่หนึ่งคนที่ไปฆ่าเขา นะพวกโจรผู้รายเงี้ยไปฆ่าเขาไปอะไรบางทีมันก็รู้สึกเล็กน้อยใช่ไหมเอ้ยเป็นไรไปก็ฆ่าตายก็ตายไปมันไม่รู้สึกว่าจะไปน่าสงสารจะไปใหญ่โตอะไรคือคนยิ่งหยาบเนี่ยมันก็รู้สึกว่าโหไปทําอะไรต่ออะไรเอ้อไม่เท่าไรหรอกแค่นี้นะจะตีลันฟันแทงจะชกต่อยจะฆ่ากันตายมันก็ธรรมดานะี่ยเรื่องพวกนี้เขาเห็นเป็นเรื่องธรรมดาเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่คนที่จิต ดีขึ้นมาคนมีเมตตาใช่ไหมเห็นแล้วโอ้โหนี่มันร้ายแหลนะ่นอย่างเงี้ยมันฆ่ากันตายนิวิบากมันหนักเลยนะฆ่ากันตายเนี่ยมันจะต้องจองล่างจองผ่านกันไปอีกยาวนานนะั้นอย่างเงี้ยต้องใช้กันไป500รอชาติอะไรต่ออะไรนะเออเพราะฉะนั้นคนที่มีความรู้จิตละเอียดเนี่ยแค่นี้เขาก็รู้สึกไม่ไหวอันนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วนี่มันเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นก็จะไม่ ไม่อยากกระทำหรือไม่ยอมไปกระทำเรื่องนั้นๆเพราะรู้รู้บาปกรรมรู้ความร้ายแรงของมันแต่คนยิ่งเร็วมากเท่าไหร่เนี่ยยิ่งกิเลสหนามากเท่าไหร่กิเลสเนี่ย ม, มาปิดหูปิดตามหมดแล้วมันทำให้เรื่องใหญ่เนะี่ยกลายเป็นเรื่องเล็กเรื่องบาปก้อนใหญ่เนี่ยกลายเป็นบาปก้อนเล็กคือความรู้สึกมันกลายไปเป็นอย่างนั้นแต่พอพอขณะที่พิจารณาได้ปับ๊บขนาดนั้นเองเพื่อน เพื่อนอีกคนนึงอะ่ะเพื่อนที่ที่มาด้วยกันเพื่อนก็อาบน้ำเสร็จก็มาชวนว่ามาเถิดสหายพวกเราพากันกลับบ้านกันเถอะตอนนั้นอาตมาภาพได้ตอบสหายไปว่าเจ้าจงกลับไปพูดเดียวเถิดเราจะไปบวชเพราะว่าบรรลุแล้วนี่เป็นปัจเจกแล้วก็มาอยู่แล้วไม่เป็นคารวาอีกต่อไปแล้วก็ไปบวชเลยแล้วจึงออกบวช อาศัยอยู่ที่เงื้อมเขานันทะบูรกาจากนั้นพระปัจเจกับพุทธเจ้าองค์ที่สามก็ได้บอกสาเหตุการออกบวชของตนบ้างว่าคือตอนนีแ้แต่ละพระองค์เนี่ยเล่าให้พระราชากรุงพระราสีฟังอันนี้มาถึงพระองค์ที่สามแนละ้วมหาอพิธอัตมาภาพเคยเป็นกุดุมพีคนหนึ่งอยู่ในแคว้นกาศีนี้กุดุมพีก็คื อ, อคนบ้างข้างร่ารวย ครั้งหนึ่งขณะอยู่ที่ตลาดได้พบเห็นสามีภรรยาคู่หนึ่งเดินผ่านมาภรรยาของเขาช่างดูงามตานักความกำหนัดพอใจนางบังเกิดขึ้นแก่เราเมื่อได้สตินั่นแหละจึงรู้สึกสังเวทตนเองว่ากามนี่แหละนอจะเติบใหญ่จะโยนเราเข้าไปในอบายทั้งหลาย